จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตนีเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดเด็ตุม้มอยู่ไม่ได้คิดตุ้มก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่ง น, นั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพตุงมแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิดก็เอารมณ์นั้นแหละาเป็นเพื่อน ความจริมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบแต่แก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดหนักสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพรพร้อมที่จะติดถ้าในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข เมื่อมีกระทางติดเดอ่ยถ่ายเดียวเมื่อมีกระทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลปัญญาตากสังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับราบา่าฟังแห่งความกระทบกระเทอือนนั้นต้องรับภาไม่เหมกัน พระจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายมีเรืน่นยาตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยึ่งขว่เรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้มีคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมเนี่ยควรแก้ไขดัดแปงลงหรือควรลบล้างเรามันมีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้อ น, นจริงต้องได้เรียนในรู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ิศที่เกี่ยวข้องกับจิต มันก็ไม่มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใส้อยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกอารบณ์ทุกความก็ต้องก็ะเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบ ว, วิธีแก้ไขดัดแปลงหรือ แลงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์และทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังยังดีพวกเรา หลักธรรมะคำอสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมนมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันเราจึงเรียวกยวก่าได้เกี่ย บ, บรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับ ศานะธรรมที่ถูกต้องแน่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือนี่พูดแล้วเลอขาดต้นไปไม่ทราบถึกนู่งมาจากไหนเดื่อนี้พูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับวารอบรมศึกษาจึงิงทางได้เผียบกันอย่างมากมายนี่แหละมนุษย์เรา ก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมดูใบต่างๆจากหลักธรรมที่ครูอาจารย์นำมาส อ, สอนก็ดีทีในศึกษาเ ร, าเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้รื่องทุก การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่คันสอนไว้สาดบางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เราวร้รู้อย่างนี้มีมากมายกัายกอน แต่เพราะยังยินทุกข์ที่เกิดขึ้นจากนม่เลียดไ่เลียดทำให้เกิดความทุกข์ให้กระทุกขระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ขาดโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถิดและจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลําบากของขาดโลกด้วยกันไม่มีบกข้อง สัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติท่านมานันณ์ไหนก็มีนันก็เหมือนเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นกา ร, ป ร, ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมคคนมุษย์เดียร์ายนี้มีเชื่ออันในพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้น ถ้ามนีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้ารักษาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่กิดไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะฉันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ทักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเะนนั้นสันโลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกัน ในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผึขึ้นมาเรื่อยเรื่อเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจิ้งมีอยู่เรื่อยเรื่อยหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ถ่ายสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมธรรมนี้เท่านั้น เมื่อเราเทียบกับศาสตร์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตร์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก่ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะจะไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำทางตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระวจบพระพุทธเจ้าเท่านั้น แล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษาทั้งก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปหน้าโดยลําดับเนี่ยท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรมถ้าเรากระเทือนโลกอยู่นั้นน่ะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนอยังไงสัต์ทุกตัวมีทุกกันทั้งนั้นประกาศอยู่ใน กลางวานอยู่ภายในการพลานิกของสัตว์โลกโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรโฉมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีในสถานที่นั้นนี่และสัจธรรมคือทุกขสัตย์เรายกทุกขสัตย์ขึ้นเป็นข้อแรกประกากผลของกิเลสอย่างโดยยั ง, ยยงตงต ง, ตงที้ ประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยประกาศเกี่วกับตัมคนทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจังประเทศปัจิเตสติอันทักกาโอเลนโอนัคทาปิปังนันเวสถัทธ์อย่างที่พูดทิศกลาววันนั้น อุดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเป็นหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกทันิีวาตนนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาขลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพื่อเพลินกันไปหาอะไรไหนทำไมจึงไม่สแสวงหาที่พึ่งเระเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นรึงมันเถีงนิจังประเสธสตินอยู่หมอ ไฟที่เรียะกันหาซะว่า ม, มันเผาผ่าญที่ตลอดเวลาทําไมจึงมีใจจิตใจใจเพลิดเพลินดื้อเอดอ ง, งอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฎิปังปฎิปังนักปเวสชาจึงก็อนันธาการเลณะอนาาัคคากความมืดบอดมันครอบจิตที่ตลอดเวลาพระจะตะวางตะวันจะกี่ดวงกว็ต า, ามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะสอ่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้น เมื่อมันครอบงากินมิดอยู่เช่นี้ทำไมจริงต้องรื้นเริ่มกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอาวาทของพระพุธเจ้าเป็นพุทธภาสิมันน่าสลดสังเวจอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับอยู่กันแม้ตนเองก็ ไม่นับได้เลยว่ากี่พบกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จาไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าปชาติมนุชชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจาไม่ได้ทำมาทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืม ล, ลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้ว ส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลานี่นเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในี่ยค่ะของเราที่เป็นมามากน้อยสี่พยานก็คือตัวสาคัญได้แก่พิรลยะที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพกทุกชาติล้วนแน่ตรงแต่เป็นไปพเพราะพิริยเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องดืนยันว่าเราต้องเกิด หรือเลยต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะที่เรียกตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจอืนี่เป็นเครื่องยืนกันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ไดกกาก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติทีเคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลมล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนีมันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผลยิ่งเลี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแา่งความทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่ยิ่งเลีเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองแต่ละบุคคลบุคคลมีกันตัวนี้ท่านว่ ทุกประกาศกลงวานอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเป็นไปด้วยปัจจธรรมการปัจจธรรมคือทุกขสัจก็เป็นปจัจจธรรมข้อหนึง่งสมุทัยวิสัชฌ์ก็ได้แต่ตัวขี้เล็กที่เป็นตัวบ่งการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมาในสัตว์ทั้งหลายเลยรับความทุกข์ความทรมานนีมันก็ประกาศกลงวานอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยทำเมื่อมากคือข้อปฏิบัติ ทางดําเนินไม่มีสัจะทําทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แต่จิตใจของสัตโลกนั่นแลเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกข์สัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุก เ, เรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์ อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมันแตกขแขนงออกมามีอยู่ในร่างการของสัตว์โลกอีกสองถจจานี่แหลเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจกักให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันต่ายขอบดงต่ายไปต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้ เพราขอบต้องมันกลมที่เหลือมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัตจัรมันหมุนอยู่ในวัตจัรมันก็เหมือนกับกลมเกิดใจจะตาเกิดใจจะตายต่อเมื่อได้สัจจธรรมอันข้อที่สี่ธรรมกเข้ามาสถิตภายในจิตใจ เขามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เขามาชำระความภายในจิตใจงานละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องส ต, ติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่หละเป็นตัวกาจัดเป็นตัวชำระ เฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทํางานอยู่ในที่นี้ทิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลําดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกก้ามากน้อยเพียงไรทีเลกก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทาหน้าที่วิชําละอธิกรณ์ทำลายวัตจักซึ่งมีอยู่ภายในติตของจัก ทำทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของจักโลกให้แตกจนชิ้นเป็นอันโดยลำมหนักจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน จ, ใจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นมิมุติปนิพานธ์ดุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตตะกับ ได้แก่ความกิดแก่เกิดตายมุนเยียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนกรรคือวัฏจักรถ้าผู้รับความทุกข์คือนักนโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยถ้าจะทำคือมรรคตรั์นี้เป็นเครื่องทำลายนี้โลกทศรรนั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมากษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภาจิตใจทิ่เลียดก็ทํางานอยู่ภายใจิตใจอำนาจที่เดชก็ได้มากน้อยกว่านั้นอํานาจของมากษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลาดับแห่งที่เลียดที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมากษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทยยสัตย์ ให้หมดประจากใจโดยทิ้งเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ้นใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เสีบตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาธนาธรรมมีมากแต่เป็นสั้มัญท่าน นอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลําพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัพสรุปแล้วก็คือภูมิงามความดีทั้งหลายมี ม, มรรคสัพเป็นสําคัญได้แก่ตัณหาทัติเนี่เป็นเครื่องทําลายกิเลส เป็นเครื่องทำลายวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื้อแล้วอย่างนกคศัตร์ได้ทำลายตัวกองจากหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ายนจิต ของขัดโลก้ด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมัรคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่า น, นี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินว่าตจับได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิง ผูนั้นจะ ม, มาตกหลุมตกตกเหียวตกบ่อคือความเกิดเจ็บเจ็บตายรับความทุกข์ความบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่ในนี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพยายามจุนารมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่าง ก, กายนี้เจ็บนั้นปวดนี้ประพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่ว่าขาดขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมราบท่านจะเสวยทุกข์เช่นนี้กับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือน่งทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หนึ่ง เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเาเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้างโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายก็ไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหารประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระตุกระเพินจิตใจดตนโดยท่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความปัญญิดิจารณามีสติ ป, ปัญญาความร อ, อบครอบในทางในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม ความจริงคือจะถาภูตังยะนะยานรัตนังใหร้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คล้าเข้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแตกก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นมอหายไตผัดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่า น, นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกริธรรมดาเราจะห่วงห้ามมันไม่ได้เอาแตก ขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฟื้นมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝื้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีเรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียง ว, ว่าต่างกันตามวารรคที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคืบเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นีน้ตายในวันนี้ วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปล ก, กอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสําคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสําคัญอย่าให้จิตทุ่งเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้อ้าจะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้อ้าจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยโดย้วยลําพังตนเองมีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ตาเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าเทานีนกันนี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามควำกลิ่นแห่งสัจธรรมที่พระธเจ้าทรงตั้งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแต่สดจะเป็นสุขโตดูก็เป็นสุขโต ขาดขันตาได้ก็เป็นสุขกโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้ายเป็นสุกโตวความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสในนาไฮดิเราได้ก้าวไปแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไม่ทับ ทำลายเราตลอดมาแท้เขาเรื่อยๆเราเราไม่สู้คี่วาเราหยอกทนี้เราสู้ต่อเห็นใครชนะกันจึงเรียกว่า น, น, นักลบไม่ใช่นักหลบอะไเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามตาาาไปเดียวดีก็หลบไปซ่อนสู้มนจนอ้าหามลงเวทีึงเรียกว่า น, น, นักมวยเอว มี่เราก็นักสู้เอดสูนไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรกอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านี่พุทธังสังคังสนังฉานีญคือผู้กล้าหันฉันไถยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่แม่กล้าวิเชยให้เขาตีอโต้อุ้มตูมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็คือว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ดพาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจ สุขเสไปไหนเราไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทําความดีทาความเฉลียวฉลาดตัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่หลักเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้พร้อมเป็นสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด